ส3จุดสุดท้ายของการปฏิบัติคือเห็นขันห้าปรุงแต่งแต่เราไม่ปรุงแต่งขันห้าวงเล็บเปิดสี่พฤศจิกายน2549จุดจุดนาทีเกวงเล็บปิดถ้าใจไม่ดิน้นคือประตูของการบรรลุมรรคผลถึงเวลาเขาก็ผลักประตูของเขาเองหลวงพ่อเทียนเทียบดีนะเหมือนเราอยู่ในห้องมืดไม่รู้ว่าประตูอยู่ที่ไหนคลาไปเรื่อยวันหนึ่งไปโดนสลักของมันประตูก็เปิด แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นไปตามยถากรรมขนาดนั้นหรอกถ้ารู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะเรียนให้แม่นรู้กายรู้ใจจนเห็นมันเป็นไตรลักษณ์คีย์เวในวงเล็บคำสำคัญอยู่ตรงนี้รู้ทุกอย่างคือรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นรู้แล้วไม่เติมแต่งอะไรลงไปใจไม่ปรุงต่อไม่ดิน้นเราเห็นขันทปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนแต่เราไม่ปรุงแต่งขันท่านี่ถึงจุดสุดท้ายของการปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนี้นะ ขันห้าเขาก็ปรุงแต่งตามหน้าที่ของเขาร่างกายเขาก็ต้องเคลื่อนไหวเช่นหายใจเข้าหายใจออกมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกร่างกายก็ทำหน้าที่ของกายเวทนาก็ทำหน้าที่ของเวทนาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆสังขารก็ทำหน้าที่ของสังขารเดี๋ยวเป็นกุศลบ้างเดี๋ยวเป็นอกุศลบ้างจิตก็ทาหน้าที่ของจิตวิญญาณทาหน้าที่ของวิญญาณ เดี๋ยวก็รู้อารมณ์ที่ตาเดี๋ยวก็รู้ที่หูเดี๋ยวก็รู้ที่ใจเขาทำหน้าที่ของเขาไม่ก้าวไก่ไม่แรกแซงเขานะรู้ขันรู้การทำงานของขันไปเรื่อยๆตามที่เขาทำโดยที่เราไม่เติมแต่งอะไรลงไปฉะนั้นจิตใจมันปรุงแต่งไม่ใช่ปัญหาจิตใจมีธรรมชาติที่ต้องคิดนึกปรุงแต่งเขาก็ปรุงแต่งไปตามธรรมชาติของเขาเราไม่แรกแซงเขาฉะนั้นจิตปรุงแต่งไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ที่เราไปปรุงแต่งจิตเช่น จิตไม่สงบเขาปรุงความฟุ้งซ่านของเขาขึ้นมาเราก็พยายามปรุงแต่งความสงบขึ้นมาเพราะเราชอบสงบเราไม่ชอบฟุ้งซ่านจริงๆเราไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับว่าขันห้าโดยเฉพาะจิตเขาเป็นเอกเทศของเขาอยู่นะไม่ใช่ตัวเราหรอกเราพยายามแทรกแซงพยายามบังคับตลอดเวลาตัวนี้แหละที่ทําให้เราเนิ่นช้าใจของเราเองปฏิเสธธรรมะถ้าเราเห็นขันเขาทํางานของเขาไปเขาไม่ใช่ตัวเรานะเขาทํางานได้เอง จิตเขาคิดนึกปรุงแต่งของเขาทั้งวันทั้งคืนเขาทำของเขาเองนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ต้องพยายามแก้ไขฉะนั้นจิตจะปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงกุศลปรุงอกุศลไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกังวลสนใจสิ่งที่ควรจะตามรู้ตามดูไปเป็นแค่ตามรู้ตามดูมันไปเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันทางานของมันได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเห็นอย่างนี้อย่าไปช่วยมันทำงาน เช่นจิตเกิดราคาขึ้นมาก็ไปช่วยมันราคาไม่ดีนี่ให้ค่าราคาไม่ดีหาทางแก้ไขไม่ให้ราคาเกิดเช่นพิจารณาอสุภะก็ดีเหมือนกันดีแบบสมถะถ้าดีแบบวิปัสสนาก็คือเห็นจิตมันปรุงราคะมันปรุงของมันเองนะเราไม่ได้ไปช่วยมันปรุงราคาบดจะมาก็มาราคาบดจะไปก็ไปหรือจิตปรุงโทสะขึ้นมาเราไม่ชอบมันก็หาทางแก้ไขเช่น พุดโทพุดโทโกรธนาโกรธหนาหรือจเจริญเมตตาแก้เป็นคราวๆเพราะเราไม่ชอบโทสะสภาวธรรมเกิดขึ้นมาแล้วเราชอบให้ค่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกพอให้ค่าแล้วก็แทรกแซงดัดแปลงแก้ไขไปเรื่อยๆหวังว่าวันหนึ่งจะขจัดความชั่วร้ายออกไปได้ถาวรจิตใจของเราจะได้มีความสุขได้มรรคผลนิพพานไม่ได้หรอกไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพาน อยากได้มรรคผลนิพพานให้รู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่ใจจนเห็นเลยมันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานได้เองเมื่อได้เห็นว่าขันท่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราได้พระโสดาบันได้โสดาบันแล้วเป็นอย่างไรก็ต้องไปถึงพระอาหารหันต์เข้าสักวันหนึ่งนั่นจุดแรกเลยนะสำคัญมากเลยชีวิตนี้อย่างต่ำต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้เพราะเราได้เจอาศาสนาพุทธแล้วถ้าตั้งเป้าน้อยกว่านี้จะเอาแค่ความสุขความสงบ นั่นเรียกว่ามักน้อยเกินไป